ีเราได้มาประชุมสโมสรไดนมาที่อย่างต้อมหน้าร้อมตาคนเงินจากเรามาหาสิ่งประเสริฐหาที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันเกษมสูงสุดที่พึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้หาที่อยู่ที่ไกลแล้วก็หาในตัวของเรานี่เองเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งแต่ละสำนักพอตูกฤรู่ดูแลเราได้ยินเดียนี้ แต่และแห่งแต่แลแห่งมีการประพิตปฏิบัติธรรมกันหลายแห่งต่างและต่างแต่แต่และตำแหน่งเขาสอนกันก็มุ่งมั่นเพื่อให้เราได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันกเกษียณที่พึ่งอันสูงสุดด้วย ห, หมดทุกอเฉพาะอย่างยิ่งเราเกิดมาในที่พบนี่เราก็มีทุกมีเรื่องเดียวกันหาสิ่งเดียวกันกับภาษาสดาที่มีชื่อเรียกว่า พุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทนางฟังธรรมดาน้องเมียว่าภาษาพินเขามีซีว่าพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนเนื่องจากเขาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าแสวงหาสิ่งเดียวกับเปืนแล้วก็มีความถูกความมลหมองทางจิตทางใจเพื่นกระเพิ่นและนี่กับมาสํานึกว่าเขาน เป็นลูกหลานชุดถ่ายท้ายหลังเจ้กระใหที่มาได้ท่านกับยุคที่ธรรมะ ก, กําลังจะเลืเ่อนหลุดเรื่องสิ่งมากพอสมควรเียอย่างเดียวว่าจะมากพอหยา อ, อาาาา่อนแงมเผ่าแงามแจยพอไม่น้าแง่ควรบินเดียนีอายุอานาำพอห้ามภูมิปฏิบัติท่านกระลวนจะเป็นนแจยส่วนมาลกลูกหลานกับดูเหมือนสิบวเห็นหนี้มิเตไฟบวช ถูกน้นจค่สิมัคนแก้เป็นกับอุปมาเหมือนพระอาทิตย์ในเบื้องไปกินคือสิรับผู้หาปล า, าใหม่แต่แล้วไกลแล้วอื ม, มาคําสอนกองเป็นพันลายหลายี่แปดมืสี่พันแปดหมืสีพันพระธรามาขันหนี่่ันชัดเป็นหนังสือกับบุญหน่อยเร็มมาดูพระตาติโดกเป็นพระชุดตัตตปีโดกเป็นพระพี่น่ยปิโดกเป็นพระที่ท่านปีโดกจังว่าพี่ชื่อกวนเร็มไม่ใช่ไหนยังสิจบขันเรียน แต่เพิ่นกับว่ า, ายห่อฉลาดใจบ่อยน้อยใจบ่อยโตมกโตใจเพิ่นร่วมร่วมเรี่ยวยนยอด่ลงแห่เข้อศึกษาง่งายเป็นศีขาสามเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาผู้ที่ศึกษาสีขาสามให้จบพวนี้เขาเอื้อผู้ปฏิบัตเข้ามาจันทร์แต่สีขาสามโดยจัดเป็นรูปเป็นโคตรเป็นระเบียบเนยมันมีหลายสิ่ง แจ็ปเป็นระเบียบสำหรับข้าววดาอยู่สองชุดชุดหนึ่งมีหาขอชุดหนึ่งมีสิบเปิดมีแปดอเท่าเอื่นว่าชิ้นแปเทาเอื่อนว่าชิ้นห้าจ็ปสาหรับนาบวชจะมีสองชุดชุดหนึ่งมีมีสามจุดนะสัมีที่ตัวนี้แต่ว่าที่ตัวนี้โ่มีจะได้โบว์หวชิ้นสิบอ่ะอันหนึ่งอันนึงชิ้นสองรอยยี่สเจ็ดนี่เป็นของหน้าบวชแต่บ้านี่เท่ามีชิน สำหรับถืออยู่ภูเลยชุดภูสองชิดเจสี่กิเลสก็บบ่เบิดกิเลสก็บบ่เหงื่อแขนงบ่เบาบ่บางเมื่นสิคิดว่าไปอีกในยุคน่ะสมัยน่ะหลายหลายอยหลายท่านตีกับ่เบิดบ่เหงื่อแห็งบ่บาหวานเพราะว่าสินอันนี้เป็นบ่เมีนร่างไวเพื่อเปินกดเป็นเกณฑ์เพื่อหายเบิดกิเลสที่ดีแต่ปู่พื่นฐานอันนี้ปู่ขื่นฐานไวไม่พอหายแม่ห้าวขันห้า ใครว่าเอาถ้ามัตย์ดึงสูงบ่ได้ย่างกิรลายจะหายมีสินสุนี่เป็นเครื่องขนาเป็นเครื่องประกบแยกกิเลสมันเหิมเกรีมหลแยกกิเลสมันอ่ น, น, น ร, จจระบาดหลายสะเลสิ่ินสุนีสำหรับปาดกิเลสหยาบหยาบซึ่งซึ่งเนี่ยกิเลสละเอียดละเอียดเพราะเบิดขาดด้วยแม่นหา้าถือดีถือเจ๊ง ไ, ได้กับพวกเบดกิเลละเอียดละเอียดเพราะสินเอน มัน บ, บ่บ่มเยนอะไยกันสินบบ่มเยนสิบไปจากขาดซิกนั่นนเดี๋ยวนี้เข า, ม า, เามาห้อมกันที่นี่ก็เพื่อมาทําสิบไปจากขาดซึกให้มันสมบูรณ์ึิบมากให้จเจริญ ง, งอ่งงามขึ้นในสิบในใจของเขามหมันได้สีบสิบเอนใช้ชเวลาโบ น, นั่งศึกษาเดี๋ยวนี้ศึกษาปัจจุบันนี้ก็ศึกษาในร่างกายกวงข้อเนีว่านาคือเหลื่อมแทสมเริ่สสมรวบร่วมเหลื่อมที่พ่มงขอให้มาก อันใดมากมากเขาเอียนว่าปุ๊กะติโดยร่วมสติอันนิ้นตัวเดียวกันบานเป็นเครื่องผ้าไปไปสู่มากสู่ผลเบื้องสู่สิงไงและบานนี่ห้าวขันข้ามาเฮ็ดอิหลีเมื่อก็ได้พบได้พออิหลีพอจินอันนี้เขาเรียกอรไรกันแต่สิ้นสิ้นแต่ยาคาสิน แล้วล่องมาคิดเบิ่งพวกพอผัวเม่าพุทธภูกจเขาเขาอุปมาชีวิตของเฮานี่เหมือนพยักเดี่ยวเหมือนฟองน้ำเหมือนหมอดินมันติ้นพังพินามันแตกถึงไงไงร่างกายของเฮานี่แล้วสิมาศึกษาธรรมะคาสอนมามากแล้วสิ่ไปเลี่ยนมากๆกมันก็พอจบเมื่อแต่ศึกษาสามหนีว่าโดยที่แจงแหนกันไปเลี่ยนสุกหลังพักดันกันไปเรี่ยนแล้วกิยงสิบไรเด้มาเรี่ยนศึกษาสมคือสิ่ธรมะที่สัญญาที่เป็น วรวบรวมรวมแหลวย่อยน่นให้เขาแหลวนเขายัาง่งงาเขาัาง่งงงอยงู่ได้ เ, เพราะฉะนั้นเจ้าพายเชินพอแม้ยพุทธผู้แจชาบาณปราจินพอข่าวว่านิ่มาปฏิบัติท้ำห่วมกันบริวารถึงสิขาสามเลือ่อหลดุดให้มาเดินจกงมืให้มาสาง่งจังหวะมาทคกลมรููสิบอยู่กับการเดินจูงมสัง่งจังหวะนำมาอนี่บริวาถึงสิขาสาม้ลย เชียอว่าให้ยห่อรู้จักส่วนประกอบเงี่ยงของคนตะกันคำพูดใดให้บุท่านรู้จักเจี่ยวของนี่เฮียเลี่ยนสิขาดสามไว้มันหยากเองว่าให้รู้จักเจี่ยวของทุกันทุกคนบวว่าพอบวว่าเนี่ยบว่าบรรพกินคารวะใันได้รู้จักเจี่ยวของไวแต่ในแงบุท่านรู้จักเจ้าวของสิโยนศิขาดสามให้ศึกษาเฮียเลี่ยนเลยมันหยาเองว่าค้ามารู้จักเจี่ยวของกับไม้ถึงให้รู้จักส่วนประกอบของห่อคืออันใดมัน เป็นลูกอันไดนเป็นน้ำห้าสิบกว่าข้าใจเนี่ยอันไหนเป็นลูกอันไดเ น, นไดเป็นน้ำเป็นจริงที่ห้าจะต้องลูกเป็นจิ่งที่นัปฏิบัติทุกคนจะต้องอลูดตัง้งสงสาอย่างแก่แจก ง, แ, จงแล้วแบบ น, นี้ลูกกับน้ำกันในเมื่อหา้าทํงานห้ากับเอินลูกทํำน้ำทำามหมือนลูกพ่อสะ็จอ่ำได้บ่อยเมนว่ามันบริแทบอย่างมันอยู่ซัวเองห้ากับเอินมันก็เป็นทําอยู่ เขาเอิ่นรู ป, ปา ม, ามาทำนั่งมาทำตัวพ่อดับเบิล้ลรอดท่อรอร่อมอ่อดูท่อโทมันอยู่สื่อการมาทำนา่งเขาเกิดเอื่มมารูปทำนท่าทำเดินเจ้าวกุมมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมนาทำนั่งดินเป็นกิริยาของเขานะตอนบมเมนตกิริยาจิตกิริยาทางร่างกาย ห้ยืนหอเด็ห้องนั่งห้อนอนห้องเตียนถาเตียนที่พิชิตยนตัวเต็นริบที่มันจะท่ำไปจากนั้นห้างจิตเตียนแต่ละขังแต่ละข้ามันกัมีเหตุมันกัมีตะไจย์บอมนอยู่ซสื่อกับเตียนบอมเอ็นจิดกรสนขันบอมมีเหตุบ่มมีตะไจยบอเตียนหอกก็เนื่องจาทุจริตทุยามันบอเตียงแหละขันมันบอเตียงเลยมันกับพักดันไห้อเตียนนบอม็นว่ามันบอมเตียงแลวก็เตียนตะมันโดยลาพัง มันพักดในห้องนี่ก็รู้สึกกับก๋วยเตี๋ยวแหงคว่ำบนเทียงของมันอีกอยู่เขานั่งยู่เขากว่าวเขานั่งเชียงว่าเบอร์เสื้อทดสอบเบื้งไรที่สุดบนคว่ำบนเทียงในร่างกายของเขาสิ่งที่เห็นง่ายๆเป็นอาการของลูกนี่ของคนเล็บฟั้นสังเกตว่าเราผมขนเล็บฟั้นหนังเอ็นกระดูกเยื่อเนืกระดูกม้ามท้องคืน รัต่บ่ออย่างนี้เกิด้ามอาหารไม่อาหารเกาใส่น้อยใส่เล็กเ้าสังเกตุอะไรเจ้าเล็บของเขานั่งยืนนั่งแาวออกมีหน้าที่อะไรจะกินน่งกิเช่นสังเกตุอไรนั่งยืนผมของเขามันขาวแก่ผ่าแก่ผ่าบุบ่อขั้วเตียงของมันสังเกตุอะไรมันบวชเตียนกระท่าน้ำแหงเขวนนั่งยืนนั่งอันเชื่อสวนนหน้าเนื้อเก็ซึ่งเต็มเนื้อซึ่งนั่งกับมันจะวิผีพันธุ์ุดผ่าป่าตานั่งอยู่เบิงมีสังเกตเห็นท่านที่บอกว่ามันเหี่ยว มันจะล้นมันเห่าแก่ลงทันทีบ่เห็นอาการมุึนแจ๊กสปไปพวกเบิ้งอาจารสามสี่สองกันคิดเอาซื้อแล้วแห้งเป็นอกินแตญานแห้งทิบุ่นไปทั่วเลยพระโสดาบันทลละวิโตวิจารในวิจารเกีกัเรื่องคิดเรื่องนึงเรื่องซื้เรื่องสองเลยสิบปลายเรื่องอันสิ่งที่มั่นบอลเป็นแนวเห็นเป็นไปจากมั่นคิดไปซื้อธรรมะที่ต้องปฏิบัติต้องเห็นในปัจจุบันต่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏ ถือมาในปัจจุบันเรงอาการกายเนี่เดี๋ยวนี้เอาเห็นกันเห็นตาส่วนที่เป็นรูปกระถ่นั่งกุมูดที่นี่บพว่าเห็นคอเห็นแหนื่เพเห็นบพรว่าเห็นผสมชุ่นี้ำเนเลี้ยวไปเห็นโหลดหลุดล่างทางเที้ยงของห้องเลี้ยวไปเห็นโหลดตัวจนสะโพกกระไก่ของห้องเห็นโหลดเที่ยวอาการกายบ่อมีผู้ใดอาสามารถเห็นของไผอาการของเพราะไงนั่นเล่านั่งแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเป็นยังไงเล่าเน็ดเงยเมยหลากไม่ยั่งบ่มีผู้ใดเห็น อ่อนเปลียวเพลียแรงหรือย่างบอลมีผู้เห็นเจ็บหันปวด้รือยั่งบอลมีผู้เห็นเป็นเน็บชาที่ขาที่แขนที่ตีนที่มือหรือยั่งบอมีผู้เห็นนี่เป็นอาการมันเป็นปัจจุังเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเห็นภัยเหตุมันนี่ควอมดเทียนเกิดขึ้นเมือม่อมานั่งไม่ไมีควอมผ้าชูสะดวกสบายพอนคลาย ค, า ค, าค้อมถึงเครียดมีแห้งกลัวมีแห้งกลัวอีกทีต่อให้นั่งเบาะรถบัสรถทัวร์มันจะแย่กว่าทัวร์นั่งไปได้พรา ช่วงกว่อหมออยงหันอยากพิกิ้งกิ่งแล้วเบอ้อนิ่งๆนั่งวานั่งสบายๆายนจริงอยากพิจิ้งกนั่นจะเกิดจะโคเจนมันมาพักดันแล้วมีความเหนื่อยเมื่อยล้ามีความความเสียเทเลงเมื่อยขาลายางเที่ยวจริงจริงิเมื่ออยากพิจิ้นก์สิ่งจุแล้วสัญญาณไพที่นั่นสีไพไพมันสีนีเกิดขึ้นในช่วงวินาทีนานะในนาทีขนะในชั่วโมคขนา นับปฏิบัติเจ้าฝุ่นธรรมชาติท่านมีคว้วเจ็บปวดเป็นขั้วเจะปวดเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งคั้วเจะปวดเป็นคั้วป่วยเขาเอื่อรูปโรคท่า น, นพูดได้ป่วยแล้วโบแจ้ไขู้ดได้ป่วยแล้วโบบันเท้าพูดได้แก้วป่วยล่มแล้วโบาหาวิธีปดเปลืองให้มันเบาบางยาาออังไงอ่อนตัวร่มก็คั้วงโงแล้วร่วงปวดนักว่ไปนักว่ารูา้แก่กสิเป็นท่องมา่มันเป็นเท้าเป็นดานเป็นท่องผูกซ้าเอาพยาธิตัวไม้มาใส่เจ้าของปวดเบาว่าไปเบาก็คือกันหิ้วเข่าหิ้วน้ำก็ขึ้กัน ขันหิวเขาขันนี้ปวดเจ็บบังคับเจ็นเพศพระหิ้วกันขึ้นอยู่ยะไปกินเพราะว่าเพศเข้ามันมีบทบัญญัติต้องถ้ามากลายเป็นเวลาวิการมือนเมนมเพราะจะไหวถึงความเกลีเพราะปวดเ้ามันบดได้ที่หน้ากินเองกลง ว, วลงห น, น, นึ่งที่วิองข้าเหนื่งเดือโยมเป็นใจว า, ายชันหลายทางย่างเที่ยงกะซ้องท้าบในมือหนึ่งทนยังคอยจะเป็นผู้เลี้ยงนายแต่ผู้ใดลดลงมาได้ชั้นในมือกะดีบครเเลบได้ถึงขวโง่เอกครวัลเซเล่ท า, าว่งครวัลเซเลไปหาทินใบไม้ไปไหล ว่าดีสุดมันเป็นจรินพวกปฏิปทาท่านเขากันว่ดีมันมีหลายๆนั่งยืน่บเห็นทุกโบเห็นอาการที่มันจะเห็ุให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยโบเห็นทุกเรืนีงเห็นแล้วโคมันไหวบริกรรมไหวว่าปวดน้องปวดนอบเพเปลี่ยนให้มันมึนเป็นข้นมอเป็นคนทุกชนิดหนึ่งซึ่งเหตุท่ำพิษรักกรเยเค็เขาบ่ให้เรืแบบนั้น ย่ายญาปฎิบัติโมโนเขาก็บอกว่าปฏิบัติเพลูท่ำอันเป็นเครื่องออกจากทุกทุกน้อยเลเล็เห็นบลาเนื้อเนยไม่ล่าอ่อนเปียนที่เลีเห็นบลาเจ้าได้ออกว่าขันเจ้าไม่ได้ออกเจ้ากับริการว่าทุกน้อทุกน้อยจะบอเปลี่ยนทาเปนที่จะบอกพี่จริงจื่อหนี้เจ้าบอกออกจากมั่นจะง้อจาเหตุคิดยกฏทิดเจนซึ่กันแล้วมันรู้บ่าออกจากทุกนิ่มการจัญจียุ่งการกัเป็นการแสดงกิเลสประเภทอาหารการมามั่งการ ยิ่งกัดวัวดีเฉลยฮะเดียร์นักปฏิบัติบาลเราวัวดีพอเห็นคั้มขั้นน้อยๆอันพวกคั้วคั้นพวกคั้มราค่าเครื่องเรียเป็นทุกเด้นันี่หลายระดับตัวเจะผ่าดีเมาไปขา้นสี่ผ่าตลาดพวกนี้ผ่าดีห้างเกิดจะว่านีดีถ้าดีก็มันอีกเ้าเอื่นดีกว่าถ้าดีขึ้นไปสูงสุดจนหาเอื่อดีเกินอีบรอยเท่าเอื่อ่ดีที่สุดเนี่ยดีดีกว่าดีที่สุดขันทุกข์แม่งน้อยๆเก่นให้ เขาเอินให้หิมแม่นบอกภาษาเข้าอะไรริ่มมะกาดมาไตมา ต, ามาตอามั่นกัะบอเจ็บปวดขึ้นที่้อนคื อ, อคมมไม่ทุบต่อยแม่นบอกบอกปูดบ อ, บ อ, บอโ น, โอนบเฉียวบกพ้องจ่งสนบ่มีวางเศษเป็นตเพียงละค่ายเรื่อมาคื้อขั้นควมขั้นกับเป็นเรื่องที่เข้าพออดใดการเขาอดใดเขากะที่เข่าคางเจ้าของที่ัดอดใดตวควมขั้นหน่อยๆเรื่อง่กูมีขันจีแม่มาปฏิบัติธรรมกับขนันจีของกูก็มั่งดึงบาน กำลังจะเล่นเห็นในเห็นกิ๊เห็นไก่ในส่วนที่มันรูก้กจะอดทอนเป็นหน้าขันตีกูกําลังจะเล่นขันตีกูกําลังเบ่งบางนกําลั ง, ง, ง, ลงหงอกน้ำและบ้านนี่เจ้าของอดบอบบีบ้บดีว่าจีขาโุ่งก็ควายไม่กินเลือกโอโซ้่ากุียเมตตาที่กุญซามารถให้เลือดเป็นท่านปวดดีไปเส้นนี้ไปกุญซามาหายเลือดเป็นท่านเม่เห็นคว่ำขั้นละขั้เครื่องมื่มันเป็นรูดี ขันคืนทิ้ววัตุในน้อยเพื่อกรให้พท เ, เพื่อเพื่อกระหายปัเท่าขันเทามี้่านปัญญาเสียจิงขันบ่ปันเท่ากับกายถึ้นโมก็เลยพระพุทธจบสรารเสียงนโมบรายมัน่นแสละพวกอวดีวแต่ว่ารัเจ้าของสามารัาเจ้าของไหท่านวักเจะาขอมิเมตาอีแล้วมดูบานนี้ขันห้องมองในแง่ที่อ้นี้มีปัญญาบกว่านี้มีปัญญาบอน้ำปฏิบัติคนนี้มีปัญญาบอกห้องเบิ้งสี มันผลบ่มีปัห ญ, ญาผลพฤกต์แย่ววิธีป้องกันไถแผนป้องกันล่วงหนาบม่มีซึ่งรัฐบาลเขากาปีหนึ่งเขาบ่มีเงินงบเพื่ อ, อป่าบเสือเพราะว่าเสือประกาศคนา้นใจปีห น, นึ่ง่ว่ายุ่งเงินมีเงินงบอยู่ปราบโรคที่เกิดจากยุ่งเดีอยไข้เลือดออกเดือยไข้ป้ายจะสิมีอยู่แล้วกระทรวงข้องกับพระพุทธเจ้าได้ย่มเขาเห็ุฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองเขาเห็ุอะไร แลยนั่นปฏิบัายของขกับบอสอดคล้องกันพบบระพุทธเจ้าบอสละเสริงคนโมยักษ์บอภาษีตราสันตไหส่ว่าอโลพญาปรมาราภาความไม่มีโลกเป็นลาดอย่างยิ่งือเป็นลาศประเจอผู้่ดผู้ดใดรักษาตัวรักษ า, าตัวบ่าให้โลกให้ใครเจ็บเขามาคูขขากข้างเส้นในระวางประพฤติเป้ามจนันทรยืนยุ่งกัดไล่มันบอสช่เจยหยาแห้งแห้งก้าวเราว้าบอสัวปู้วป้วป้าเขากับคอยไล่คอยปัดออกไระไีน้า โมเมนต์ปล่อยไม่กินแบบอวดดีนะ่ะเข้าก็มีแครนปร้องกันเข้าก็บวิจารวายยุ่งมันตัวเลกืกกะจิ้งแต่เป็นพระหาน้าเชือ่อเชื่อไข่ป้าจะได้มาจากัดสนอยสเล็กกันสิละไข่เลือดออกไข่ยังต่างต่างก็ได้มาจาด ส, นน ส, เ, ลสลาเล็กส น, ก น, นอยกันสิละเละบานี้นะปฏิบัติที่มันอวดดีมันก็โง่โงแขงแข็แง ท, ท่าทาท่านทีนทน่เร า, า, าเป็นผู้มีจิตใจน่าเนีนอดทนให้เลือดเป็นท่านมี่เมตตาอวดไอวดดีอาจจะยกฝืนคุ้มขัภาษาคุ้มคล้องเจออ้ายัง บ่สามารถหาเลือยเป็นท่านไปไหถ้าระเหตตาปัดเหตตาลายยุ่งดูเจสั่นผักมุ่นมนีมันอวดดีเพื่อนก็นั่นล่ะการปฏิบัติธรรมมันบ่เห็นทุกแล้วขั้นเนี้ยบ่แอนนะเท่ายังอันทุกข์ขั้นทัศตาอันตรายายาสมวิชชาตุขอผมอาจารย์ของขจ้าเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อทําการที่สุดแห่งกองทุกข์ท่้งสิ้นเบัวดิ่งมาจิตเบื่อใจเบื่อทุกข์ข้ออดขั้นอยู่หันให้ฉันหน่อย ทุกประเด็นต่อไปในหน้าที่ตัวไปในช่วโ ม, มงต่อไปในมือต่อไปในวันต่อไปในเดือนต่อไปขี้ไข่ที่มักครูข้ามห้องขี้ดิขาวบุคางการข้างหนา้ามันกิดงงขึ้นเล้วเพราะฉะนาหน้าทปฏิบัติท่านมันเหตุมันมีควบหลอดคอดจนเป็นปริ้นยากนลยปริเปว่าหอดเนี่ยบะเมีนเบิงเฉพาะนี่หันมาคิดเบิงเปี่ยนพระพุทธเจ้าบะเมีน อ, อ, อ, อันขี้นหน่อยๆได้จัง อ, อาหารที่สิด่ดไม่จุนกินนี่ไม่รู้ บ่เมนเห็นแล้วอยาก่นมนุษยมันช่วยเห็นหรือว่าปนแต่แสแท้กินดได้เพราะนี้ได้บ่คิดอันบ่คิดย้อนหลังบ่คิดไปหนด้สามารถช่วยยังคอยคิดได้เป็นโอ้สามารถช่วยบ่คิดสผ่นบ่เมีนอาจจชบ่คิดสามชนบุชนยนี่คิดว่าจ้ามากปตเสีแท้นี่คือใรแม่นใครแม่นแทคิดว่าไปไอันมัสสะอาดก่มันถูกสุขลักษณะไม่รูปถูกสุขลักษณะไม่บ่เผือส้างหลังบ่ เขียนความลาบสะอาดพมจิบอเบิ้งเฉีดจกินไปแล้วสิเจ็ดทองเจ็ดใสพออายุสิมาที่ีบอเหนผัเบิงจีทวิเจ้าอกว่าไกลก็นอีกแต่เบิ้งยอดหลังที่มากของเขาบเมนว่าเบิ้งต่วันเขียนฝากซ้ำใสวยอสวยใสอาหารมุ่ดีภาษาบอบริเวณเานี่ทวิเจเบิงมันเอามาบรี่สูอบอแมนรักมาบอเพรมันเทีินเองอาหารมุ่เบิงไปพูดการกินข้องักก็เท่ากับ สมรู้ร่วมคิดเป็นจนเป็นกับเขาท่านกินคว้างรักอ่ะขันเบิ้งพ kind of ่าชนะว่าสะอาดหรือบ่สะอาดก็ได้เบิ้งอีกพระบุญเจ้าเบิ้งม่รู้เป็นแต่อายุมันอายุเย็นบวกลินแล้วเพื่อบำเาว่าอิติภัณฑนั่งจะเวทนั่งประคับประคองเพื่อบำบัดผู้เคารพนานาเขาขึ้จริงนีกินนู้นนู้นเข้าไปมันเกิดบำบัดคขึมนหิวใดอยู่หรือที่ว่าถ้าอาหารบวบปลอดไทยก็เพิ่มทุกไหมก็มาคือป่วยตายง่ายๆน่าเจ็บท้องเจ็บใส่ตายง่ายๆเพิ่งเบิ้งยินไปแล้วไม่สิดตายง่ายบวกเบิ้งน ตายแล้วชิตนังบว่าผุดต่อไปอีกไกลๆห้องกิเบิงใจใจนี้แมไม่จะค่อ ย, ยเป็นปริญาแบกผูดรอบๆอันนี้คือกันแล้วนั่งอยู่นี่นเจ็บมันปวดมันก็นมีเหตุประจัยตัวที่ห้องทุกคนตเปลี่ยนทาเปนที่เมเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่บิชิ่ง จ, จงีนจูว่าเปลี่ยนบบูกโคตรโมอีกทกันแล้วห้องจเป็นอมาาตะาพ่ายตายเพื่อหน้าปฏะิบะท่รมเสียขั้ไปว่หน่อยนียอาจารย์คำวานทนตั้งกฎตั้งเกณฑ์ทับเอาไว้พราแห้งเขาเบิดงิสระ พวกจะเจของขาเขาอาจารย์กรรมฐานกันนอเจนย้อนหนังสือนมานนบอกว่าท่าผู้ใดบรูอารมณ์นิพพานจะไปสอนนิพพานจะไปสอนท่านเจ้เขาเลยบาปนักพระองค์ใดบารู่อารมณ์นิพพานไปสอนท่านเจ้าเขาเจ้าของเองบ่เห็นท่ามบ่เห็นนิพพานหน่อยังไปสอนเขาหนิพพานมันเป็นจริงเท่าเห็นกวนเสือมันจะไปสอนคุณเพราว่าสังโฆเสตตาพยาติเจตตาสันิโตผสมเป็นนาบุญนิยใหญ่กว่านาบุนิยทั้งหลาย โยธิตาท่านโตสุกทานโพธิโกเป็นผู้เห็นปฏิพานนี่ต้องเห็นปฏิพานตะกอนต้องดูจากวิธีท่านตั้งใจสมมติเยอกเห็นตะกอนยังค่อยไปสอนเขาได้คันไปสอนโรดีห่วยแต่อันเบนนั้นใส่ซื้อีส์มานุ่นว่าปิดตะไบ้าเลยธรรมะเจ้าของบ้าเขาโง่ตายอียู่เขาเห็นเห็นมากมากอาจารย์ก็มาทันเช่นอ่าลูกขอเชิเป็นนางหลวงโภเอ้านั่งสองชั่วโมง สองโมงครึ่งหรือนั่งให้ได้สามดอกทูบสี่ดอกทูบห้าดอกทูบเจ็ดดอกทูบเก้าดอกทูบสิบดอกทูบที่สองดอกทูบเจ็ดเจ้าขงนั่งได้บ่าขายับขยือดบ่เปลี่ยนท่าเปลนที่ไปสัระเสินไปย่องกันไปสู้กันลรงหิวโรคคลั่งเัวษฐีเลยหนี่เรียกว่าสู้กันโรคหิวลรงคลั่งบ่าห้นั่งปฏิบัติธรรมท่ า, านไต่เบิ้ลอีหยังสิเกิดขึ้นในช่วงหน้าที่นั้นๆในช่วงชั่วโมงนั้นๆอีหยังสิมีการอ่า เกิดขึ้นอาการเอียงบ้างอาการท่างกายเขาอาการกายวาจายอย่างอีที่เราจะต้องทำให้ดีเข้าค่อยทําอยู่เลยเข้าค่อยปวดเ่รีงง้ ย, มยม ว, ว ม, ยนว ม, นนมนยันได้ที่ไหมันโบเทียงมันเทียนแป่งมาก่อนสิผู้ใดสิเทียนแบ่งก้อนมูในกรุมนี่แก่ผู้นั้นได้คือผู้ใดเจ็บปวดก้อนมูผู้ใดมือลายก้อนมูผู้ใดนั่งบโดนโบทนซ้ำ ม, มูมี่โลกรอบนั่มแต่ผู้นั้นได้แก้ไขก้อนห้าสิบแปะเอาคนระเบียดสั่งว่าต้องแยกชื่อกันเพียบบย่ได้ถ้าประชาชนสามารถชือกันบ่้ร่างกายผู้นั้นเก่ยังสูงกว่าผู้นี้ผู้นี้เก่ยังตํากว่าผู้นั้น ผู้นั้นกยงดำกผู้นี้ผู้นี้่งขาวกผู้นั้นผู้นั้นสติปัญญาแหลมเพ่มผู้นี้ผู้นี้แกยั่งงถึงก็ผู้นั้นแสิธรรมชาติสามารถให้เกิดเมื่อไรแล้วผู้นั้นยิ่งผู้ใจจ้อย้อมๆเสกินข้าวท่อหัวกวนงไง่านันให้เบิด์ตปนั่นเบิรลืมผู้นี้เราก็ล้างัไงเลาเกกินข้าวร้ายเรากวนดีพี่น้ผู้นั้นเลาเกลียยิ่ล่าเกลียดในหน่อยนอยสิบ่ข้ามเตุ่เกิดเตี้ยเลยโอ้ยอาจารย์กรรมชาิมันงอ ก็เสมอกันเนี่ยังไปหเหตุไปต้นขึ้นกันอยู่นี่มั่นมาพอเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่เปลี่ยนกันอพอเปลี่ยนพร้อมกันคนท้อามั่นนางบทนขึ้กันเขาเหงาตามธรรมดาถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงมาวางแสงคนจะเบื่อจะเหลือที่จะเป็นคนทนอยู่ในโลกนี้นะเขามีแต่อยากจะดับไปดับจากโลกเพราะโลกมันน่าชันแต่ใกลบ้างรู้สึกรู้สึกเช่นนี้ได้เพราะคนเรามีเพราะคนเราอันใจบังเอาไว้ คนเราใต้อานิจจังขันตัวเองอานิจจังมันบมเรียนมันขันเขามันบังบางหับังตาอิริบุตรมันก็บังทุกนั่งไปนะมาเขากาลังปวดกาลังเมื่อยเข้าเห็นก็ปวดก็เมื่อยบวบวามีนทุกข์แล้วล่ะมันปวดมันเมื่อยสุดๆหอกว่าบวามีนทุกข์ว่าแม่ยังสิว่าแม่มันปวดมันเมื่อยยุ่งกัดยุ่งกัดยินกัดดื่ม ว่าบนเน่ยถูกวามันขั้นสุดๆแล้ว บ, บเจกยไขมันนะโบเห็นวามันถุกเนี่ยเป็นอยังเห็นมาขั้นสุดๆเพราะอดได้เกิดแล้ อ, ลอดการอดบ้องใจว่าเจ้าของแช่อยู่กับถูบญญาากโบเป็น่าติาปาติปนิพนน้อยเจ้าของแช่อยู่กับถุกฝืนเจ้าของปวดทายโบปไดทายเจ้าของแช่อยู่กับทูกเปลือนเจ้าของบ๊อเปลืองเจ้าของฝืนธรรมชาติเจ้าขอ ง, ขอ ง, งโงู นี่แหละอาจารย์กรรมฐานทีตั้คุระเบียบบังคับคนให้คือการเปรียบหลวงพาว่าซ้าเอาต้นโกงมาปูในกระทางต้นโกงมึเก็นไหมไงท้อเสาขึ้นเสาสร้างเนี่ยเถอแต่คนเอามาปูในกระทางแสดงว่าคนณกำหนดเงื้อที่ให้มันหายกินแฉะแฉะมึงจะซอยแทกห้าเอาไปหายกินนอกกระถางได้อโก้วปบ้านเห็มึงกินยุทได้ในกระทางเท่านี้หละมึงมีชีวิตเกิดมีชีวิตนี่เนื้อทีแฉะแฉะหม่ะกูเถียงมึงเป็นตัวใหม่ประดาบะเดน่านในหน่อยเนี่ยยันยัน อย่าท่ากินเท่านาเงียาวนะ่ะทีให้มึงขอดเอาปอแอแปเปิลทอดกรบปั้นนาของมึงอ่ะมึงจะเงี้ยหัวลายไหมบังคับให้มันนี่ชีวิตยืนในกระถางหากินนอกกระถางบ่ได้อาจารย์กรรมฐานสอนกรรมฐา น, จ น, านาแจนั่งปฏิบัติแล้วยากกินชิ้นตัวนั่งอะไรสองชิ้นม่งนี่แบบว่บาบังคับปัญญาตั้งกเกย์ช่ไหมก็งโง่แต่ลอชิ้นแล้วนั่งปฏิบัติธรรม คือเขาตั well, kind of say, LG, sure ้งกฎระเบียบบังคับคนชี้ว่าเบิดอิสระในยะถาพูดแต่ย่านรู้แต่รู้ไต่กินมัตสินี่รื้อนักปฏิบัติแต่งงงงงงมิแต่งงงงแล้วมันสิออกใจทุกเดือนเมื่อได้ย่านใดเข้าปวดเมื่อได้ย่านใดเข้าเมื่อได้ย่านใดเข้าหนั่นเขากระเบิ้ลตัวอาการใจว่าใจยากอื่นที่เราจะท่องจำให้ดีเนี่ยเขาจะต้องท่าไหนมันดีมันปวดอยู่นี่เป็นที่ที่เข้าไม่ชอบในเนยเมื่อละมันปวดเขาจะทําไหนมันดีกว่านี่ที่ที่แล้วมันก็ดดีแต่มาหายว่าทันทีเนี่ย จะเล่าเมืองเทียนเราเอายางหัดทำหมาำแมวมันเป็นยังจ้าถาแต่เมืองจะการหมุนเวียนของโลหิตมันเป็่นไปว่าใดนิดตัวนั้นเอายางหัดเมื่อเข้าเบิ้งก็ได้โบยเสือฮันนิวซี่ดีแต่สาวซัวเทียนนี่เป็นไรแดดกรรมขืนมาทันทีเลยปวดมือมือมือมือปวดคือกันละถ้าเ้าบกี้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่บกี้จิ้งจี๋หัเขาเกิดกายเป็นนักปฏิบัติงงงงงงอย่างๆงจ็เอื้อรถบัดจบเขาเรย ยาถาพูดแต่ญาติลูกตามเพื่มเกณฑ์เป็นจริงมันมกว่บะมีแล้วนั่นการมาปฏิบัติโยนี่หกหมืหม่นเจมืน่นอาตมาคิดว่าต้อมเกิดพ้นดีแทๆ้ๆค อ, อยอออย่อมคอยย่อมเมนะปฏิบัติทุกท่านเอ า, าเอาอา่างเบิ้งบะมีเฮ็ดเรนๆขายเฮ็ดเรนๆก็ได้เรนๆเลยต้องตองางเขคิดอี๋หรนนืน้าปฏิบัติมืเบิ้งด้วยบัดพร้อมเม่เขาเอาือนบุคคลผู้มีอุปการละมาเขาว่าสิเด็พรอมเม่ทุกคนเป็นบุคคลผููมีอุปการละมา กรสมควมเรเอื้นหอย่างสั้นอิหรี่คืออิหรี่ว่าเป็นผู้มีประกาละมาเพียงจค่เอื่นว่าสั้น อ, อ๋อเบื้งหลูกลองเพลินดูดรรนนนได้าา ม, มาแต่าสัยสมบัติพรสถ า, านแต่พอเมีนึ่ตัวให้ง้อพั่วไปเขาจะค่อยมีดัดเลี่ยงไปเลี่ยงไว้แต่ทางสันทยยเงี้ยให้ใส่ผู้ใด่เงื่อนสั้นอันเป็นที่ยุ่งคืออยู่บบานช่องของฮอรลังยงยงยีแต่พอเมีตัวให้นี่แสดงว่าให้หน้าสาโทกแต่พอเมีสิเป็นผู้ให้เงื่องสั้นบานช่องพอเมียติดผู้ให ง้อข้วไอปลายท็อพ่อแม่ปู่เป็นผู้ไฮที่เหตอยู่ให้กิ่นดินตำระเทไทยงเหตุหน้าเป็นพื้นผินพ่อแม่เป็นผู้ไฮไฮกับไฮซื่อซื่อสันนะบ่บมม่เมนไฮเขามาซื่อเอาซะ น, นะเป็นพระพมของลูกอันเพื่อนไฮซื่อซื่เพื่อนบ่เอาอยังตอบแท่งมรู้บุคคลภนี้ก็เลยเป็นบุคคลภูมิประกาศละมาศพ่อแม่สมควรบัตรห้ามาศึกษาท่ามาไงแปดมื่นสี่พันพระท่านม า, าขันห้ามา ศึกษาตามรักมหาสีประธานฝึกฝนในเรื่องสติสัพเพชญะสติสัพเพชญะเป็นท่านมีอุปการะมาอีหละทำบได้ให้หาให้หหน้าแก้ไผบได้ให้เงื่อนให้สร้างแก้ไขบุตรให้สมบัติพสถานแก้ไบุตรห้เงินทองของมีคาเสียผาอ้อพ่อันที่นอนมอนมุงแก้ไขดิงจะเอื่นท่านมีอุปการละมาท่าอันสร้าขอสติสัพเพัญาบุตรใหไหาให้หหน้าแก้เฮ้าเงื่อนสร้างบานซองทํามาสร้งขอกับบไตรให้แก้เฮา ห้องเปี่ยงกาเธอยนถ้ามีอุปการละมาสมควบรบ่บัดพรม้นีสมควรแล้วที่จะต้องเอื่นบุคคลผู้มีอุปการละมาศให้ให้ใ ห, หน้าห้องมีวิจารณญาณที่จะระนาดใจ ต, ต่อมาดูสมควรเอื่นถ้ามีอุปการะมากคนสมควรยานยีบุคคผู้ได้ดีคานภาษาสดาได้ทำมาที่พระพุทธเจ้าใต้ใบใต้ใบดีแล้วบ่คือคนหมายบานเมืองคนหมายบานเมือ ง, มเมองเลือด เรียกว่าเกณฑ์เอาทะข่นหัวแหลมแหลมปัญญาคมคมไปตาก้นไม้โ อ, อ้ไม่ใช่ก้นไม้เจริญฉบับมีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเหล่าเปลี่ยน ส, สัมสัมโยกเลยเพลิดพร้อนทิมไปแล้วยังตะสุเรศเป็นมาตรานาน้าที่ยกเลยไปแล้วกปเชิญสุเรศข้างไว้เปลี่ยนของมหาจารยมีลา ย, ยุหลายสมัยข้าเกิดมากเพราะ่นราท่านได้เปลี่ยนรัไดดีอิเลองเพลินนี่หละเพลนว่าถ้ามีปกาลมากรมี่ ใครๆก็ว่าเฮ า, าลบถ้ำสองข้างกขา ด, ดิโดยนี้เฮาก็เป็นนั ก, กนรบแก้โลกกิกเลสอาวุธที่เฮาจะต้องโรคกิเลสโมเมนปืนพานาไม่โมเมนตจรวดนาวิถียิงข้างไกลบมเมนอาวุธที่เป็นรูปกระทับหมายถึงสติสะพัเชัญยาเนี่ยถ้ามีประกามาถ้าติเกี่ยสติสพัสเชันยากะเตื่นเหมือนจอมข้นหรือแมทัพใช่าน การลดราามียอมพ้นหรือมีเมทัดยอมพ้นลดบัตธรรมะนี่แหละาดูถ้ามีบัตรก้ามากนี่มันมีธรรมะข้ออื่นนุนหายข้อมากนุนแห้งข้อมากนุนแห้งข้อมาเกิดคือจะเลืนน่องงอง่ายคือมากนี่นุนห้เกิดฮิริโอตะปะน้นห้เกิดขันติสุระนุนห้เกิดกระตันยู่กระตุ้นีสิธรรมะหมวดอื่นอื่นี่ก็หมายถึงพ้นลดทหารปตอมอพันแปนสพบทหารช่างเ่านั้นเ่านี้เปัญลักธรรมะหมวดอื่นนี่ นี่ก็คืนก็อำนาจของจอมทัพแล้วจอมทัพในที่นี้ก็หมายถึงหิริขันติสวดมันถึงสติสัมปชัญญะจอมทัที่ห้องกำลังปลูกฝันล่มในจิตในใจของเฮาให้สติให้สัมปชัญญะงอแงจะเิ่มพิโยคถึงกับจีกับใจของเฮานี่แหละขันว่าในอิทัปยยตาเพราะสิ่นี้มีสินี้จึมีเน่เพราะสติสัมปชัญญะเิดถึงกับใจของเฮาแล้วหิริบดะภาอดบไรต้อนมีด้แทขันติสวดจะอดบะไรต้องเกิดถึงมาเทเท กันยูกันนี้ที่อดว่าได้ก็เกิดขึ้นมาทึ่แัวเขาปูฟังสติสัมัสชาญญะได้แล้วภาสังเขาสิเรื่องร <the> ู้สึกมาสิตังเก่าตังหลังเลือวิปัสนามันมีผลมาตางเก่าวิปัสนารู่แจ้งร่วมสภาว่าเดิมเกินเกาถังมาปฏิบันวิปัสนาแล้วยั่งทาเก่าอยู่อันนั้นก็เบลออันนี้ก็บรรลแล้วงมส้นแท้าคลองเป็นพ่วเป็นพ่วงไปที่เ่ามาสิเมรวิปัสนารู้สึกเทบุสีธาตมันกับบรมเรียลสำนักเจ้าสอนเจ้าก็ว่าเจ้าสอนวิปัสนาแต่เรียบงง เคยขี้เก่าเพิ่งคยสูบยากระสูนขี้เขามาหม่าม่งม่งขีเขาเสืเชี่ยวมาเสืเชี่ยวคือเขาเดี๋ยวนี้ปั๊บุงยังให้พ่อยังให้แม่มีประสิทธิภาพคนผู้ไรพัฒนาหนีบมีประสิทธิภาพบ่มีคุณภาพถึนพัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นการเลี้ยงให้พ่อให้แม่มากฝึกฝนอบรมทายที่ทั้งใจเป็นการพัฒนาอย่างยิ่งด้วยล่ให้พ่อให้แม่มีนำเนี้ยนะว่ากับลูกกับเต่าทุกแม่ทุกคนทุกพ่อทุกคนปฏิพานโวหารโวหลาย เมื่อจะให้เขาไลายทำไมมันจะเป็นาา น, น, น้ำ